พลิกความคิดฟุ้งซ่านให้เป็นปัญญาด้วยพลังสติธรรมชาติของจิตถ้าจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานมากขึ้นเมื่อเขาแสดงพลังงานของเขาเขาจะเกิดความคิดไม่หยุดเช่นอย่างสมมติว่าปัญหาอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับงานพอคิดถึงสิ่งนั้นปับ๊บเขาจะคิดคิดคิดของเขาคิดหาทางแก้ เขาจะคิดไปเองในส่วนที่เขาคิดนั้นถ้าหากว่าเราอยู่ว่างๆหรือเราไม่ได้ทำงานเฉพาะหน้าที่จะต้องเขียนผลลัพธ์ผลตอบอะไรต่างๆเมื่อว่างๆปล่อยให้เขาคิดไปแล้วเราก็ตั้งใจรู้รู้ไปพอไปถึงจุดที่เขาจะแก้ปัญหาเขาเองเขาจะว่างปุ๊บเลยพอว่างแล้วก็ไหวตัวพับอ้าวสิ่งนั้นมันเป็นอย่างนั้น สิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้ได้คําตอบขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าจิตของเราฟุ้งซ่านมันคิดมากท้าทายเลยว่าแกจะฟุ้งไปถึงไหนหรือจะคิดไปถึงไหนฉันจะเฝ้าดูแกอยู่นี่แหละดูไปเรื่อยไม่ต้องไปบังคับเขาให้หยุดคิดเอารู้แค่ตัวเดียวเท่านั้นถ้าปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยไปเราจะเก่งแต่ว่าคนทั้งหลายเนี่ย ไปบังคับให้จิตมันหยุดนิ่งสว่างจึงจะชื่อว่าได้สมาธิเออถ้าอย่างนั้นมันก็ดีอยู่หรอกถ้ามันเป็นไปได้เราเป็นนักธุรกิจนักทำงานเนี่ยไม่ต้องไปเอาอย่างนั้นหรอกแล้วเราปฏิบัติของเราไปอย่างนี้แล้วอย่างนั้นมันจะเกิดขึ้นเองในที่สุด